รับคนกับกลิ่นเหม็นอันเกิดจากที่มันกินสร้างน่าคละครุ้งตลกไปหมดเห็บเกาะเต็มทั้งตัวเชื่อถาและชายยันยิ้มออกมาอย่างแช่มชื่นต่างเข้ามาจับมือรับพินขย่าวแรงไม่จําเป็นเสียแล้วสําหรับคํายกย่องสรรเสริญชมเชยอะไรที่ทั้งสองจะมอบให้แก่รับพินแต่มันเป็นการแสดงความยินดีมันควรจะตายด้วยมือผมนะแต่แล้วในที่สุดก็มาสิ้นเอามือคุณจนได้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 ซาของไอกุดขนาดสี่คนหามหลังอย่างแอ่และต้องพักบ่อยๆทั้งหมดบ่ายหน้ากลับแคมป์โดยย้อนรอยเดิมแวะที่ศพของลูกหาบเคราะหร้ายซึ่งใช้เป็นเหยือ่อรอดระพินสั่งให้หยุดพักที่นั่นอีกครั้งเพื่อกุดหลุมฝังศพของเอิญไว้ยังบริเวณใต้ห้างทุกคนพบความสลดใจอีกครั้งเมื่อมองเห็นศพของลูกหาบที่เสียชีวิตอย่างอนาถเพราะเจ้าเสือสมิง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 และผ่ากันเข้ามามุงร้อมซ่าของไอ้กุฏเต็มโดยรัดทิ้งหน้าที่อื่นๆหมดข่ามนั้นหม่อมราชวงเชื่าสั่งให้นําวิสกี้ออกมาเปิดเลี้ยงพวกลูกหาและผ่านพื้นเมืองของนกินอย่างไม่อั้นเป็นการแสดงผลสําเร็จในการพิชิตไอ้กุฏตรงได้ทุกคนรื่นเริงคืบคื้นกันเป็นพิเศษและทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนายหรือลูกจ้างเพิ่งจะรู้สึกในรสชาติอันอริดอร่อยของอาหารข้ามมื้อนั้นนับตั้งแต่วินาทีวิกฤต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 โชคดีหรือเกินที่เราปราบมันลงได้ภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนับตั้งแต่มันเล่นงานคนของเราจอมพลานตอเบเรียบๆขณะนั้นทั้งสรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วและแง่า ย, ายกำลังนำเอากาแฟกับบรันดีเข้ามาให้ผลสำเร็จในการพิชิตไอกุดลงได้ในครั้งนี้มาจากแงซ า, ายคนเดียวถ้าไม่ได้แงซา ย, ายแนะนาให้คุณลงจากห้างและกลับแคมป์ ป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าพวกเราจะต้องแกลวคอยดักมันเป็นนานอีกสักกี่วันชายยานพูดพร้อมกับหัวเราะแล้วเอื้อมือไปตบหลังหนุ่มชาวโดงนักพาเนจรผู้มายืนดินกาแฟแจกจ่ายปรนนิบัติอยู่ใกล้ๆเชษฐาและดารินหันไปมองดูงแง่ายอย่างปืมพอใจอดีตนายทหารกองโจรกะเลียงผู้สมัครเข้ามาเป็นคนใช้คณะเดินป่ามีสีหน้าสงบราบคาบและสารวมอยู่ตามเดิม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 ถ้าหากคุณกลับไปถึงหนองน้ำแห้งอีกครั้งอย่าลืมนะว่ากระสุนนัดสุดท้ายที่ปิดชีวิตของไอ้กุฏเกิดจากมือคุณไม่ใช่มือผมผมไม่ใช่ผู้ปราบมันหลอกคุณตหากก็แบ่งเท่าๆกันเป็นสามส่วนสำหรับสามคนก็แล้วกันมาเถียงกันอยู่ได้แง่ทรายเอาไปส่วนหนึ่งในฐานะผู้วางแผนแกเอาไปส่วนหนึ่งในฐานะยิงไว้ให้ตามรบินเอาไปส่วนหนึ่งในฐานะยิงมันตายถึงจะยุติธรรม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 นี่แหะครับเขาถึงมักจะเอาเสือมาเปรียบเทียบกับคนที่ทําอะไรอย่างเฉียบขาดรุนแรงโดยไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดน้ําใจเสือมันเป็นเช่นนี้แหละเชิดาชยันและดาลินต่างอุทานออกมาอย่างประหลาดใจตายอะไรกันเสือน่ะหรือยอมกัดตีนของมันให้ขาดคาดเครื่องดักก็ขาของมันเองแท้ๆมันไม่กลัวเจ็บหลอกหรือดาลินร้องเสียงแหลมทําตาโต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 หลุมที่จะให้มันตกลงไปก็มีลักษณะเหมือนหลุมพรางใช้ล่อคนนี้เองโดยขุดให้กว้างลึกในทิศทางที่มันจะปรีเข้าใส่เยื่อมีตะข่ายรองรับอยู่เบื้องล่างข้างบนปากหลุมมีใบไม้อำพรางไว้พอมันหล่นลงไปในหลุมก็ทบตะข่ายกระเดื่องกลที่ทำไว้ก็จะตะวัดตาข่ายให้รวบเข้าหากันแล้วหิ้วขึ้นมัดมันไว้ข้างในอย่างแน่นหนาที่สุดลอยอยู่เหนือพื้น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 ญใหญ่ถ้างั้นพรุ่งนี้เราบ่ายหน้าขึ้นโป่งกระทิงเลยครับต่อไปก็ขึ้นห้วยใยญ่ทองแล้วก็ป่าหวายเสียเวลาอย่างมากก็เห็นจะไม่เกินสองอาทิตย์ก่อนที่เราจะไปถึงหลมช้างอันเป็นสถานีปลายทางจากนั้นเราจะได้เริ่มเดินทางจริงจังกันเสียทีโป่งกระทิงเชษฐาทวนคำขมวดคิ้วสีหน้าเริ่มปรากฏ ร, ริ้วรอยกังวกลกัดกุ้มแทนความร่าเริงแจ่มใสในขณะนี้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 ตามเราไปให้ทานที่โป่งกระทิงนะบุญคําคุณรพินสั่งไว้แล้วไม่ใช่หรือหม่อมราชวงเชิฐาร้องสั่งความมาเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่บุญคําจะแยกพระไปพรานอาุโสยวิมราขอรับเจ้านายผมจะตามไปทานที่โป่งกระทิงแน่ๆอย่าว่าแต่โป่งกระทิงเลยต่อให้ถึงหล่มช้างบุญคําก็ตามไปทนันอย่าห่วงเลยครับขบวนเดินทางคงมีลักษณะเหมือนเมื่อเริ่ม อ, ออกจากหนองน้ําแหง้งอันเป็นสถานีเริ่มต้นนั่นเอง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 ภายหลังจากรับประทานกันเสร็จนั่งพักผ่อนอีกครึ่งชั่วโมงพรานใหญ่ก็ให้เดินทางต่ออย่างรีบเร่งพอผ่านดงไผ่เข้าเขตป่าโปรง่งที่มีไม้ยืนต้นกรอบแดงโกรนเพราะฤดูแรงจันทร์ผู้มักจะเดินตามหลังนพินไปอย่างกระชั้นชิดก็เดินยิ้มกลับมาที่เกวียนของคณะนายจ้างคุณลพินให้มาเรียนว่ามีวัวแดงฝูงใหญ่เดินอยู่ขอบทุ่งด้านซ้ายครับ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 ไม่เห็นเลย อ, อีวันก่อนเดินกับคนศึกขาแทบหลุดเห็นแต่รอยตีนของมันเท่านั้นเชษฐานั่งห้างเฉยๆมายาอุษาเดินเซอ่อเข้าไปให้ยิงว่าแต่มันอยู่ที่ไหนชายานสอดสายสายตาไป ร, บรอบๆตลอดทั้งบริเวณป่าโปร่งแห้งแล้งนั้นและวปินคงยิ้มอยู่ในอาการเดิมไม่ตอบว่าอะไรโบกมือเป็นสัญญาณให้จันนํำขบวนเกวีนยนใบหน้าไปตามทิศทางเดิมแต่ให้เส่อหยุดเกวียนครั้งสุดท้าย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 ดารินหันขวับมาประจันหน้าเขาขยับปากจะปล่อยถ้อยคำรุนแรงออกไปแต่แล้วก็ชะงักเพราะนึกถึงเหตุการณ์หล่นแอบนี้ลงไปอาบน้ำที่ลำธารและช้างแม่ลูกอ่อนไล่ซึ่งรปินช่วยเหลือไว้ได้ทันจึงยิ้มออกมาจิดจืดยากไกลประโยคที่พูดแม้จะ ก, กระแสะเสียงอ่อนก็ยังไม่วายแขวก็ให้มันรู้ไปสิว่าฉันมากับพรานใหญ่แล้วจาเป็นจะต้องถือปืนเพื่อคุ้มครองตัวเอง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 จันกับเกิดที่นำทางไปจำทางไม่ค่อยจำแม่นเสียด้วยเขาตอบหน้าตาเฉยหญิงสาร้องออกไกลออกมาคําหนึ่งลืมตาโตหันมาจ้องหน้าแต่รพินทําไม่รู้ไม่ชี้เสียชายยันหัวเราะออกมาเพราะรู้ทันว่านั่นเป็นการแกล้งยั่วของรพินดาลินจึงเพิ่งรู้ตัวว่าถูกรวนตอบชำเลืองหางตาคอนคนผีหล่อนอุบอิบอยู่ในลาคอคนเดียว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 ฝูงของมันเดินทวนลมและเราตามมันทางด้านใต้ลมเหตุการณ์มันบังเอิญหรือเกินฝูงมันเดินตัดหน้าเส้นทางเดิมของเราเมื่อไม่เกินครึ่งชั่วโมงมา น, นี้เองความจริงผมว่าจะผ่านไปแล้วแต่มา น, นึกขึ้นได้ว่าคุณชายยันอยากจะยิงวัวนักเห็นว่าไม่เสียเวลาอะไรมากมายก็เลยอยากจะพามาให้ได้ยิงสมใจขอบคุณมาก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 ชิดกับป่าภายด้านขวามือห่างออกไปประมาณเจ็ดร้อยหลาวัวแดงฝูงหนึ่งจำนวนสิบถึงสิบสองตัวกำลังเดินและเล็มใบไม้อยู่เพลนในระยะไกลเช่นนี้มองดูแทบไม่ปิดอะไรกับวัวบ้านที่จับกลุ่มหากินอยู่ริมทุ่งชา ย, ยานตารุกโพรงอย่างตื่นเต้นยินดีแทบจะระงับไว้ไม่อยู่ส่วนดารินรีบหยิบกล้องสองทางกลที่คล้องคออยู่ขึ้นมาปรับเดนส่องหลอนนอนพังภาพอยู่ทางด้านซ้ายของพรานใหญ่ โอ้โหสวยจังแต่ละตัวเขางามทั้งนั้นกำลังกินเพลินทีเดียวหญิงสาวร้องออกมาเบาๆส่งกล้องให้พานใหญ่และพินรับมาแต่ไม่ได้ส่องดูเองส่งต่อให้ชายยันอดีตนายพันตรีทหารปืนใหญ่ยกขึ้นส่องอย่างก็หายรู้สึกว่าจะเป็นตัวผู้เสียกว่าครึ่งวิเศษจริงผมไม่เคยเห็นภาพสัตว์ป่าที่มันอยู่กันตามธรรมชาติอย่างเผลอตัวอย่างนี้มาก่อนเลยชยยันครางออกมาด้วยเสียงกระซิบ ระพินใช้นิ้วแตะน้ำลายชูขึ้นสํารวจทางลมอีกครั้งหนึ่งแล้วตบไหล่ชายยันกระซิบยิ้มยิ้มเราไม่มีทางจะเข้าไปใกล้มันมากกว่านี้อีกแล้วล่ะครับถ้าถึ้ลงจากเนินนี่มันก็จะต้องไหวตัวแน่ๆเชิญเลยครับเลือกยิงเอาตามสบายใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนพยายามยิงให้ปราณีตที่สุดระยะมันห่างไปหน่อยชัยยันส่งจุด30มแมกนัมมาให้เขาเระวัง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 อ้าวเอาก็เอาผมจะต้องนอนยิงอย่างนี้เหรอเอาท่าที่ถนัดที่สุดเลยครับผมบอกแล้วว่าไม่ต้องเร่งร้อนถ้าเรายังอยู่บนเนินนี่ยังมันยังไม่มีโอกาสรู้ตัวหรอกชายยันกัดริมฝีปากเอามือทั้งสองลูบกับขากเกง่งเช็ดเหงือ่อแล้วลุกขึ้นนั่งคุกเข่าโดยตั้งข่าขึ้นข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยันพื้นในท่านั่งยิงมาตรฐานอันถนัดที่สุดวางข้อศอกรองรับ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 ตามกล้อง700หลาเศษเศษระยะนี้จัดว่าไกลพอดูสำหรับศูนย์เปิดแต่สำหรับศูนย์กล้องที่มีกำลังขยาย4เท่าที่ติดอยู่กับจุด3000 w e a t h e r b m a c หน้นรนกระบอกนี้เป็นระยะชกันทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสได้เล็งยิงอย่างปราณีตโดยไม่มีการรีบร้อนฉุกระหุกเช่นนี้ชายยานเล็งไปทางเจ้าสีตโนดตัวใหญ่ที่สุด ลักษณะจะเป็นจ่าฝูงซึ่งหันด้านข้างอันเป็นเป้าใหญ่ให้ทุกคนสะกดกลั้นลมหายใจและเอาใจช่วยครั้นแล้วจุด300แมกนัมก็แผดระเบิดขึ้นด้วยเสียงแหลมหนักแน่นสะท้อนกล้องไปทั้งทุ่งและชายดงเสียงหัวกระสุนที่วิ่งแหวกอากาศไปด้วยความเร็วสูงได้ยินถนัดชัดเจนในความโร่งว่างเช่นนี้ร่างทะมึนมหึมาของเป้าไมา้กระโดดตัวรอยขึ้นไปบนอากาศยกขาหน้าทั้งสองขึ้น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 ผลของการยิงนัดที่สองจะเป็นอย่างไรยังไม่ทราบแน่แต่วัวแดงทั้งฝูงเริ่มแต่คือออกไม่เป็นขบวนวิ่งกันฝุ่นตลบบ่ายหน้ากระเจิงเข้าไปในป่าไผ่ใกล้ๆราวกับพายุพัดเสียงชา ย, ยันร้องว่าออกมาดังลั่นเพราะเข้าใจว่านัดที่สองของเขาพลาดแต่แล้วก็เอะอะออกมาอีอย่างประหลาดใจและคนยินดีเมื่อเห็นตัวหนึ่งในจํานวนของฝูงนั้นที่กําลังควบขยโยกอยู่กลางหมู่สุดขาหน้าลง ล้มกริ้งไปกับพื้นด้วยความแรงมันพยายามที่จะตะกายลุกขึ้นวิ่งต่อไปอีกสองก้าวก็ล้มตะแคงลงไปอีกชูคอส่งเสียงร้องดังกล้องได้ยินมาถึงอย่างถนัดส่วนตัวแรกบัดนี้นอนกองนิ่งสงบไปแล้วอยู่ทั้งสองตัวเลยครับเจ้านายเสรยร้องลั่นออกมาอย่างดีใจและดารินก็ลุกขึ้นกระโดดร้องเอ็ดออกมาอย่างรื้มตัวชยยันยิ้มแป้นออกมาได้ระบินแตะปิ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 ทีแรกก็นึกว่าผิดเหมือนกันเพราะเห็นมันควบตะบึงกันใหญ่แต่เอ๊ะไงอีกตัวหนึ่งถึงม้วนลงไปได้ก็ไม่รู้ชายยันพูดหอบห อ, บอย่างตื่นเต้นตาเป็นประกายจับไปที่ภาพของเจ้าวัวแดงอันเป็นเหยื่อกระสุนตัวที่สองซึ่งบัดนี้ยังคงนอนชูคอส่งเสียงร้องกล้องทุ่งอยู่ตัวแรกกระสุนตัดเข้าประสาทสาคัญถึงได้ล้มนิ่งกับที่ในทันทีส่วนตัวที่สองก็ถูกที่สาคัญเหมือนกัน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 ในระยะไกลขนาดนี้ผมจะยิงมันให้นิ่งอยู่กับที่เหมือนคุญชยันได้หรือเปล่าสัตว์ใหญ่ทุกชนิดเป้ามันใหญ่พอที่จะให้ยิงถูกก็จริงแต่จุดตายของมันมีอยู่ไม่กี่แห่งเท่านั้นและเป็นบริเวณเล็กนิดเดียวการยิงให้ถูกนะ่าไม่ยากเลยแต่จะยิงให้อยู่นั้นต่อให้มือพรานมืออาชีพก็หวังได้ยากเลยเกินในระยะไกลๆอย่างนี้ระบผินว่าพร้อมกับผิวลบเาๆชายันหน้าแดงด้วยความเคื่มปิติ รู้สึกว่าเขาจะดีใจและภาคภูมิใจอย่างมากมายและคนไปกับอาการตื่นตื่นเชษถายิงวัวแดงได้เชิดายิงวัวแดงได้ก่อนเขาก็จริงแต่เป็นการนั่งห้างยิงโดยที่วัวเข้ามาให้ยิงเองในระยะใกล้แทบจะเรียกว่าเผาขนส่วนเขาแกะรอยยิงในระยะห่างถึงเจ็ดร้อยกว่าหลามิหน่ำซ้ำยังเป็นการยิงอย่างชนิดสั่งสองนัดต่อสองตัว มันจะเป็นเพราะฝีมือของเขาเองหรือจะเป็นเพราะความฟลุกเขาก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันแต่อย่างน้อยก็คงจะได้คุยไปอีกนานทีเดียวในบรรดาเพื่อนฝูงนักราสัตว์ตั้งหลายของเขาได้อาจารย์ดีอย่างคุณนะซีบผมจึงได้กลายเป็นนักราสัตว์ที่มือดีขึ้นนิดไม่สเปสะสปะเหมือนก่อนๆชยันถ่อมตัวรู้สึกเหมือนกันว่าความตื่นเต้นยินดีเป็นพิเศษของเขา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 บาดนี้เอาหัวซบลงดินไปแล้วจากระยะที่มองเห็นไกลๆตรงข้ามกับพระพินซึ่งปลดจุด3006ออกจากบ่าลงมาถือในลักษณะเตรียมพร้อมเมื่อต่างเดินเข้าใกล้เข้ามาเป็นลำดับสายตาของพรานใหญ่จับนิ่งอยู่ที่เจ้าสีหม้อใหญ่เขางงเป็นเงางามตัวนั้นไม่กระพริบอย่างชงนชายยันกับดารินเดินเคียงคู่เขามาพร้อมทั้งพูดคุยกันอย่างสบาย โดยไม่มีการระมัดระวังอย่างใดทั้งสิน้นความเอดใจของรถพินทวีขึ้นเมื่ออีกประมาณ70ปหลาจะถึงตัวเจ้าวัวแดงตัวมะหึมาที่เอาจมูกซุกดินอยู่เขาเห็นดวงตาต้องคู่ของมันเบิกโพรงเบิงมองมาและได้ยินเสียงหายใจฟืดหนักๆจนฝุ่นบริเวณใกล้เคียงจมูกของมันปลิวว่อนขึ้นพรานใหญ่ชะงักกึกกางแขนทั้งสองปาดสกัดชัยยันและดาลินผู้เดินขนานเขาอยู่ทั้งซ้ายขวาไว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 เขาก็ผลักชายยันเป็นการกระตุ้นเตือนภาวะตะลึงให้เซพะงะไปทางขวาขณะเดียวกันก็กระชากเอวของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราลิศล้มกลิ้งเข้าไปหลบกำบังอยู่หลังตอไม้ใหญ่ตัวเขาเองก็ม้วนเป็นลูกขนุนเข้าไปด้วยพร้อมๆกันชายยันมาได้สติเมื่อถูกกระพินผลักขณะนั้นเจ้าวัวป่าพุ่งเขาอันแหลมง ง, งของมันเลี้วเข้ามาใกล้เขาในระยะไม่เกินยีสิบหลามันสายไปเสียแล้วในการที่จ ะ, ะจะสลัดไรเฟิล ออกจากบ่าอาดีตในพันตีทหารปืนใหญ่หันหลังกลับวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเบื้องหน้าของเขามีต้นมะขามป้อมใหญ่ต้นหนึ่งยืนตระงานโดดเดี่ยวอยู่เขาโกยอ้าวตรงไปยังต้นมะขามป้อมต้นนั้นในขณะที่เบื้องหลังบัวป่าบ้าเลือด ก, กุ้ยกระชั้นเข้ามาโดยวิ่งผ่านร่างของพระพินกับดารินซึ่งหลบฉากเข้าหาตอไม้อย่างวุดหวิดชายยนันเป็นเป้าหมายที่เด่นกว่า และมันหมายกลัวชัยยันมากกว่าที่จะแหวงกลับมายังระพินและดาลินซึ่งมันวิ่งถล่มเลยมาแล้วระพินใจหายใจคว่ําเขาเพ่นขึ้นยืนในพิพตานั้นจุดสามศในมือแผดระเบิดกึกก้องตามหลังเจ้าวัวบ้าเรื่อพร้อมกันเขาก็วิ่งตามหลังมันไปด้วยตะโกนบอกชายยันลั่นทุง่งพยายามขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ให้ได้ทิ้งปืนก่อนอย่าหันกลับมายิงชายยันมีสติพอที่จะได้ยินเสียงตะโกนของเขา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 วินเชสเตอร์จุดสูคูช่ชีประจำมือของเขาก็สูนเกลี้ยงฉาดไปเสีแล้วจากแมกกาซินในตัวปืนถ้าเขาควักจากกระเป๋าขึ้นมาบรรจุใหม่ก็แปลว่าร่างของเขาแหลกเหลวก่อนที่จะบรรจุทันจอมพรานเพนหุอืออกไปลักษณะเดียวกับการวิ่งของชายยันเมื่อครู่นี้ผิดกันแต่ว่าการวิ่งของเขาแคล่วคล่องชำนาญและมีสติกว่าพอหันหน้าออกพระวิ่งเขาก็ต้องใจหายากความอีกครั้ง ที่เห็นดาลินยืนถือปืนสั้นเก๊กๆกังๆอยู่กลางทุ่งสกัดทิศทางด้านหน้าที่เขากำลังเพ่นไปหล่อนคงจะวิ่งตามหลังเขามาเมื่ออึดใจนี้เองและบัดนี้มัวตรึงทำอะไรไม่ถูกเมื่อเห็นเขาเป็นฝ่ายวิ่งหนีเจ้าวัตวตนนั้นอีกทีหนึ่งหลบไปที่ตอไม้เดิมนั่นเร็วอย่ามัวยืนอยู่อย่างนั้นเขาร้องบอกออกไปสุดเสียงหล่อนมีสติรับทันเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ดีพอใช้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 คุณวิ่งเร็วยิ่งกว่าจริงโจ้เสียอีกชายยันก็ยังสู้ไม่ได้อีตอนที่วัวมันไล่กวดอย่ามัวแต่ชวนผมทะเลาะ อ, อยู่เลยไปรับคุณชายยันกันเถอะแขวนตึองอยู่บนย่อนมะขามป้อมตะโกนเย้ายวเอยู่นั่นเองไม่รู้เป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าผมเห็นไอ้วัวเจ้ากรรมนั่นเมืนขีดเสียกางเกงขาติดปลายเขาพูดแล้วเขาก็ก้าวออกจากที่โดยไม่รอหญิงสาววิ่งตามมาแระพินผ่านซากวัวร้ายไปโดยยังไม่หันไปสนใจกับมัน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 แล้วก็พากันเดินกลับมาที่ทราบวัวทำไมคุณถึงเพ่นละ่ะอีตอนที่มันพระจากผมตรงรีเข้าไปหาคุณผมนึกว่าคุณจะยิงสวนเสียอีกชัยันถามปนหัวร้ออย่างคลื้นเกรงเขาเป็นคนห้าวและคนองเคยชินกับกลิ่นอายของอันตรายได้ดีพอใช้ทีเดียวในนาทีครับขันอันหมายถึงชีวิตซึ่งผ่านไปหยกๆยกมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยดาดินก็เช่นกัน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 ส่วนห้านัดของรพินที่ยิงตามหลังไปขณะที่มันกวดไร่ชายยันเจาะเข้าแนวตะโพกและขาหลังฝังในทั้งสิ้นน่าประหลาดใจในข้อที่ว่ามันไม่น่าจะมีพลังทรหดจนถึงสามารถทรงตัวกวดไร่ได้อีกตั้งหลายอึดใจส่วนสองนัดกระสุนปืนสั้นที่ยิงจากมือของหม่อมละชวงหญิงดาลินกระทบโคนขาวแตกฉี่ออกไปและนัดสุดท้ายที่ยิงจากมือของรพินทะลวงคว้านกะโหลกศีรษะ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 ผมสังเกตดูนับตั้งแต่เราออกเดินทางจากเขาโลนแต่เช้านี้แล้วพวกเราขนาดนั่งคุยกันอยู่ในเกวียนแท้ๆยังกินน้ำกันก็นาลาร้ายค้งเพราะความอ้าวระอุคุณเดินตากแดดเปลี่เปรียปร่ยงมาตลอดผมเห็นคุณกินน้ำครั้งเดียวตอนก่อนที่เราจะแยกไปยังไปยิงบัวแดงรพินหัวเราะอ่อนโยนทำให้ใบนหน้าคมเข้มในแบบรูปผู้ชายเต็มตัวดวงตานั้นมีสเสน่ห์น้าพิศขึ้นอย่างประหลาด